ช่วง 3-4 มวันนี้อากาศร้อนมากนะโดยเฉพาะภาคอีสานก็พอดีกับที่เรามาเริ่มปฏิบัติธรรมกันที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะร้อนแค่ไหนแต่ก็อย่าถือว่าเป็นเคราะห์อย่าถือว่าเป็นอุปสรรคนะให้ถือว่ามันเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเรา เป็นสิ่งที่จะมาช่วยฝึกใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้มีสติรู้ทันใจของเราด้วยก็ได้เวลาแดดร้อนๆอากาศอบอ้าวเนี่ยลองสังเกตดูนะว่ามันไม่ใช่กายของเราเท่านั้นที่ร้อน บ่อครั้งใจของเราก็พลอยร้อนตามไปด้วยลองเห็นสังเกตเห็นใจของเราไหมเวลาอากาศร้อนๆโดยเฉพาะตอนบ่ายมันบ่นไหมมันตีโพตีพายไหมมันรู้สึกผักใสมีความหงุดหงิดมีความขุ่นเคืองหรือเปล่าอันนั้นแหละคือตัวการที่ทำให้ร้อนใจแล้วพอ ใจร้อนเนี่ยมันก็ไปซ้าเติมกายทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นที่จริงร้อนกายแต่ว่าใจไม่ร้อนอันนี้ทำได้นะนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตรหรอกนะเพราไม่ค่อยมาดูใจของตัวพอร้อนกายก็เลยปล่อยให้ใจร้อนใจทุกข์ตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนะ มีสติเห็นอาการของใจงที่มันบนตีโพยตีพายบางทีปรุงเป็นความคิดนะว่านะทำไมต้องมาร้อนในช่วงที่เราปฏิบัติ ด, ด้วยหรือบางทีก็ปรุงเป็นอารมณ์คือความหงุดหงิดความขุนเคืองอันนั้นแหละคือตัวการนะที่ทำให้ ใจเป็นทุกข์้เรามีสติรู้ทันอาการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาพอใจเราเห็นมีสติเห็นนะ ม, นมันก็เหมือนกับขโมยที่พอเจ้าของบ้านที่พอปะหรือเจอหน้าเจ้าของบ้านมันก็รีบตกมันก็ถอยตกใจแล้วมันก็รีบหนีไปเลย ขโมยเนี่ยเวลามันเข้าบ้านเนี่ยมันกลัวมากเลยนะกลัวที่เจ้าของบ้านนี่จะเห็นมันหรือกลัวว่าเจ้าของบ้านนี่จะรู้ว่ามันมาพอรู้เท่านั้นแหละนะมันหลบมันถอยมันหนีไปเลยอาการของใจที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อมีอากาศร้อนมันก็เหมือนขโมยนะ มันแอบเข้ามาในใจของเราแต่พอมีสตินะรู้ทันมันก็ล่าถอยไปแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติเราด้วยนะถ้าสติเราเข้มแข็งว่องไวปราดเปรียวนะมันก็ถอยหนีไปอย่างรวดเร็วพอๆพอกัน แต่ที่มันบางครั้งมันไม่ค่อยถอยหนี <_ C> e <an> ก็เพราะสติเราอ่อนมันเกิดขึ้นแว บ, บๆแล้วก็หายไปแล้วนานๆก็จะโผล่มาทีน่นถ้าเราได้ใช้โอกาสนี้นะตอนที่อากาศร้อนๆนั้นเราก็ได้เห็นใจที่บนเวรอยตีโพตีพายเนี่ย ถ้าเราเห็นตรงนั้นเนี่ยนะถือว่าได้กำไรละเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เรารู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์เป็นสิ่งที่จะช่วยเติมกำลังให้กับสติของเราถ้าไม่เห็นตรงนี้นะก็เรียกว่าขาดทุนสองต่อก็คือร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจ บางทีไม่ได้แค่ร้อนใจอย่างเดียวไปทำให้คนอื่นร้อนตามด้วยเช่นไประบายอารมณ์ใส่เพื่อนนักปฏิบัติหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจด้วยสายตาหงุดหงิดที่เขาอาจจะมาเดินขวางหรือตัดทางของเราก็ทาให้เกิดความขัดแยง้งหรืออาจจะถึงกับมีปากเสียงกัน หรือถึงไม่มีนะแต่ก็มีความโกรธตามมาอีกตัวหนึ่งนะโกรธเพื่อนไม่พอใจเพื่อนไม่ใช่แค่หงุดหงิดไม่พอใจดินฟ้าอากาศอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าขาดทุนนะเพราะว่าอความไม่พอใจไม่ว่ากับดินฟ้าอากาศหรือกับผู้คนนี่มันล้วนแล้วแต่เป็นเสมือนไฟที่เผาลอนจิตใจเราอยากปล่อยใจให้ขาดทุนนะ ให้มันร้องแต่กายนะแต่ว่าใจเป็นปกติหรือว่าใจสงบเย็นหรือว่าได้กำไรเพราะว่าเรียนรู้ที่จะได้เห็นใจของตัวเองเวลามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากว่าเราเห็นมันมีสติเห็นมัน เห็นความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นที่ใจความกลัวด้วยเรือพนยามค้ำคืนรวมต้องความอยากเห็นอาหารอร่อยๆตอนเช้านะใจมันอยากอยากกินแลว้วก็ใจหงุดหงิดไม่พอใจที่เพื่อนเขาตัดหน้าเอาของกินที่เราชอบไปจนหมดเลย ใอ้ความไม่พอพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราเห็นรู้ทันมันนะอันนี้ก็เรียกว่าได้กำไรแล้วนะคือเราได้สติเพิ่มขึ้นมาเรารู้วิธีนะที่จะเอาสติมาใช้นะกับชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นจึงถึงพูดตั้งแต่ต้นว่าอากาศร้อน มันก็สามารถจะเป็นอาจารย์ให้กับเราได้ทำให้เราได้รู้จักเรียนรู้ดูใจของเราในทางตรงข้ามถ้าอากาศสบายสบายบางทีก็ไม่เห็นนะไม่เห็นความหนุนยิ่ที่เกิดขึ้นไม่เห็นความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจ ก็สามารถจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อากาศร้อนก็เอามาใช้ใเป็นประโยชน์ในการมาดูใจดูจิตของตัวและการที่เรารู้เท่าทันใจของเรารู้เท่าทันความคิดที่มันผุดขึ้นมารวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดความทุกข์ในใจเราไปได้เยอะเลย คนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเหตุอื่นทุกในที่นี้หมายถึงทุกใจนะไอเรื่องทุกข์กายนี่มันอาจจะมีเหตุปัจจัยจากภายนอกเช่นอาหารแสงแดดผู้คนชื่อโรคนะแต่ทุกใจเนี่ยมันล้วแต่เกิดจากความคิดของเราเป็นส่วนใหญ่ ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นความคิดที่ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเราลองสังเกต ด, ดูเวลาเราทุกข์เนี่ยนะจะไม่ใช่เพราะว่ามีความทุกข์กายเกิดขึ้นก็มักจะเกิดเนื่องมาจากใจเนี่ยแหละที่มันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางไปนึกถึงอดีต อันเจ็บปวดเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยหรือว่าคนรักนะที่เนียนเป็นไปมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์แต่ว่าใจก็ยังไม่ปล่อยไม่วางก็หวนคิดเอาแค่เงินหายเนี่ยนะก็เห็นได้ชัดแล้วแทนที่จะหายแต่เงินนะความสุขใจก็หายไปด้วย เพราะว่าเอาแต่คิดถึงเงินที่หายจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เรียกขาดทุนสองต่อเหมือนกันนะคือเสียทั้งเงินแล้วก็ใจก็เสียบางคนใจไม่ได้เสียอย่างเดียวนะสุขภาพกายก็เสียไปด้วยเพราะว่ากุ้มใจมากมีครูคนหนึ่งโดนโกงไปแสนหกจะเสียใจแล้วก็ขุนเคืองใจมาก ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยร่างกายผ่ายผอมเป็นเดือนเดือเลยนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยากให้ลูกกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ครูคนนี้ก็เอาแต่ซึมเศร้าเหมือนกับว่าทําร้ายตัวเองอดีนะที่เขามาได้คิดทีหลังว่าทีนี้เราจะทําร้ายตัวเองไปทําไมเรารักตัวเองไม่ใช่เหรอ แล้วเราจะทำร้ายตัวเองทำไมก็เริ่มกลับมากินข้าวกลับมาใ ช, ช้ชีวิตตามปกติแต่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ยอมปล่อยให้เงินหายไปเท่านั้นจะยังปล่อยให้ความสุขใจหายไปด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งใจเสร็จแล้วก็สุขภาพก็เสียด้วยและแน่นอนนะก็ไม่มีกำลังใจไม่มีสมาธิทำงาน งานก็เสียไปด้วยแล้วพอมีความทุกข์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากคบใครมีความหงุดหงิดง่ายเวลาเพื่อนมาคุยบางทีก็ระบายอารมณ์ใส่เพื่อนต่อว่าเพื่อนอเสียเพื่อนไปอีกเสียสัมพันธภาพไปอีกจากเสียเงินเท่านั้นก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงาน เสียความสัมพันธ์อย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือโง่นะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่ใจเนี่ยนะมันไม่ยอมกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็ยังหวนคิดถึงสิ่งที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วคือเงินที่หายถูกโกงไปแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ทันใจเวลามันหวนคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่แก้ไขอะไรไม่ได้ป่วยการที่จะนึกถึงมัน ป่วยการที่จะอาไล่เสียใจเพราะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาได้ตระหนักว่าโอ้เรายังมีเงินต้องเยอะแยะเรายังมีอะไรต้องหน้าทำต้งเยอะแยะในสิ่งที่สูญหายไปมันเป็นแค่จํานวนจิบจ้อยของสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งบางอย่างก็ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้นอกจากการที่ปล่อยใจไหลไปกับอดีตแล้วเนี่ยบางทีก็ปล่อยใจลอยไปกับอนาคตไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่า มันอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันก็ทุกข์เสียใจกังวลวิตกทั้นที่ปัจจุบันมันยังไม่เป็นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เขียนมาเล่านะเขียนมาปรึกษาอายุ32สามีวั39สามีเป็นมะเร็งที่ลำไส้เจ้าตัวนี่ไม่รู้เลยนะแต่ละมะเร็งมันก็ลุกลามไปเยอะแล้ว ไปอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนก็หมดเป็นล้านต้องไปกู้นี่ยืมสินมาสุดท้ายต้องเอาสามีออกมาจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านสามีนี่ไม่รู้ว่าตัวเอป็นอะไรนะตัวภรรยาไม่ยอมบอกจตตอนนี้ก็สามีก็มีอาการลุกลามจนปวดต้องฉีดมอร์ฟีนให้ทุกสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นทุกข์มากเลยนะเธอ เขียนมาเล่าน้ำเสียงแล้วก็จากถ้อยคำที่บอกนี่ก็แสดงว่าเธอมีความทุกข์มากกลุ่มใจที่สามีกำลังจะตายนะแล้วสามีตายแล้วลูกจะทำยังไงอายุเก้าขวบหนี้สินต่างหากเยอะแยะไปหมดเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับปรึกษาเขียนเขียนมาถามมาขอให้ช่วยที อาตอมาก็ตอบเขาไปว่าะที่จริงไม่ได้รู้จักเขาเลยนะแต่ว่าเดนนี้มีคําถามพวกนี้เขียนมาเยอะมากส่งมาทางอินเทอร์เน็ตส่งมาทาง facebook ก็เขียนไปว่าก็เห็นใจหน้าที่เขากําลังจะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ก็เตือนเขาว่าความสูญเสียนั้นยังไม่เกิดขึ้นความสูญเสียยังไม่เกิดขึ้นสา ม, มีเขายังอยู่สา ม, มีเขายังมีชีวิตอยู่ ควรใช้โอกาสนี้ที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยทำสิ่งดีๆให้กับเขารวมทั้งพยายามมีความสุขร่วมกันเท่าที่จะเป็นไปได้เรากว่าเขาก็ได้คิดขึ้นมาทันทีเลยนะเขาลืมไปนะขหมยแต่คิดถึงอนาคตว่าสามีจะตายแต่เขาลืมไปว่าสามีตอนนี้ยังอยู่ซึ่งก็หมายความว่ายัางจะทาอะไรดีๆให้แก่กันและกันได้เยอะ มีความสุขร่วมกันก็ได้ก็ได้สติขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แนะนำเขาว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้เขาป่วยกายก็จริงแต่ว่าไม่จาเป็นต้องป่วยใจก็ได้เราปพยายามช่วยให้เขาน้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีๆรวมทั้งช่วยทำให้เขาคลายความกังวลไม่มีอะไรที่ติดข้างใจที่ทำให้เกิดความ ทุกได้แนะนํเพา ว, ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการดูแลการดูแลทางกายเนะแต่ต้องการการดูแลทางจิตใจด้วยและนนี่แหะคือสิ่งที่ภรรยาสามารถทําให้กับสามีได้การดูแลทางจิตใจเรื่องการดูแลทางกายนี้นะหมอทําได้ดีกว่าเราพรยาบาลทําได้ดีกว่าเราแต่เรื่องการดูแลทางจิตใจนี่เราคือภรรยาสามารถจะทําได้ดีกว่า แล้วเราจะดูแลจิตใจเขาได้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองก่อนถ้าเราดกดผู่เศร้าหมองเครียดสามีก็จะพลอยรับความอารมณ์นี้ไปจากเราด้วยเพราะมันติดต่อกันได้ฉั้นต้องกลับมาดูแลจิตใจตัวเองนะถึงจะดูแลจิตใจเขาได้เขาก็ได้คิดตรงนี้เหมือนกันเขาว่าตอนนี้เขาเริ่มกลับมากลับมา ก, กินข้าวกินปลาแล้ว กลับมาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลร่างกายดูแลจิตใจตัวเองเพื่อจะทำหน้าที่เพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับสามีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คนจานวนไม่น้อยเนียเน่ยปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปหลุดลอยไปคือมัวแต่เศร้าเสียใจที่สามีหรือคนรักกำลังจะตายจนลืมไปว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ กับเราเรายังสามารถจะทำอะไรดีๆให้กับเขาได้อีกมากมายทำไมต้องไปมัวเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสร็จแล้วก็หมดเรื่องหมดแรงไม่สามารถจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราจะพูาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอกาสทอง ที่เราสามารถจะทำอะไรได้มากมายเอาคนทุกวันนี้เนี่ยนะปล่อยให้ความสุขหลุดลอยไปเพราะว่าใจนี่มันไปคิดถึงสิ่งเลวร้ายในอดีตหรือไปมัววิตกเศร้าโศกเสียใจกับอนาตโคตรเจียงมาไม่ถึงถ้าหากว่าเรารู้จักเอาใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราจะพบความสุขเนี่ยเราจะพบความทุกข์เนี่ยมันมันหายไปเยอะทีเดียว เมื่อจะเป็นความเศร้าเสียใจความกังวลแล้วเราจะใช้ปัจจุบันขณะนี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันขณะนีมันเป็นบ้านที่ประเสริฐนะที่สุดของเรานะเราทุกคนมีบ้านทั้งนั้นนะแต่ส่วนใหญ่เป็นบ้านทางกายเป็นบ้านที่คุ้มหัวแต่ว่าใจเนี่ยไม่ค่อยมีบ้านนะใจเราเนี่ย มันระหกระเหินและเหะเร่ร่อนไม่ค่อยอไม่ค่อยกลับมาอยู่บ้านเท่าไหร่และเหะเร่ร่อนแล้วจนทํากลายเป็นกระเซาอกระเซิงไปเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าเพราะว่าไปจมหมกอยู่กับเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตหรือว่าไปจมอยู่กับ ภาพฝันปรุงแต่งที่เลวร้ายที่คิดขึ้นมาปรุงแต่งในทางเลวร้ายเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงจิตของเรานี่เหนื่อยอ่อนเหนื่อยอ่อนมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักมาพักพิงที่บ้านถ้าเรารู้จักให้ปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นบ้านสำหรับจิตใจของเราจิตใจเราจะโปร่งเบา ใจิตใจเราจะได้มีโอกาสพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าเราจะรู้สึกมั่นคงอบอุ่นแต่ใจนี่มันไม่ค่อยยอมจะกลับบ้านเลยนะการฝึกสติที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยก็คือการฝึกให้ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเวลาบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอันนี้อาจจะฟังเข้าใจยาก แต่เราลองทำให้กายของเราเนี่ยเป็นบ้านของใจสักหน่อ ย, อยที่เรากาลังปฏิบัติอยู่เนี่ยกลังฝึกอยู่เนี่ยก็คือสอนให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านบ้านก็คือกายถ้าใจกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเมื่อ ม, มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยอากุศลธรรม ทั้งหลายเนี่ยก็ยากยากจะเข้ามาครอบครองจิตใจเราได้เหมือนกับเก้าอี้เนี่ยมันมีตัวเดียวถาาว่าตัวนั้นเนี่ยความสึกตัวนั่งเป็นเจ้าของแล้วไอ้ตัวอื่นก็จะมานั่งไม่ได้การฝึกสตินะที่เรากำลังทำอยู่นะมันเป็นการทำให้เรารู้จักพาใจกลับมาอยู่บ้านคือกาย เมื่อใจกลับมาอยู่กับน้อ ก, กับตัวก็รู้สึกตัวรับรู้ถึงมือที่เคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อย่างเท้าเดินแต่สิ่งที่ต้องระวังคือว่ากายเป็นบ้านนะไม่ใช่เป็นกลงขังหลายคนเนี่ยทำบ้านให้กายเป็นทำทำกายให้เป็นกลงขังของจิตก็คือพยายามบังคับจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับกายบังคับจิตให้มันแน่นแนบ จดคือจดจ่ออยู่กับกายเพื่อเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยได้หนีไปไหนอันนั้นระวังนะมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นคุกมันไม่ใช่บ้านบ้านเนี่ยหมายความว่ามีสละที่จะอยู่หรือไปก็ได้ทํากายให้เป็นบ้านของใจก็หมายความว่าบางครั้งใจมันก็อยู่บ้านแต่บางครั้งมันก็อยากจะตะเลิดออกไปก็ให้อิสระ แกมันเพราะว่านั่นคือบ้านไม่ใช่กรงขังหรือคุกบางคนพยายามที่จะบังคับจิตให้แนบแน่นไม่ให้จิตออกไปไหนเลยนะซึ่งทำไปทำไปก็จะเครียดทำไปทำไปก็จะก็จะงดหงิดนะเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่คุกใจเราก็ไม่อยากอยู่ในกรงขังมันก็จะต่อสู้นะมันก็จ ะ, ะพยศ ขัดคืนทํากายเป็นบ้านคือว่าใจเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากบ้านได้แต่หน้าที่ของเราคือว่าเรียกมันกลับมาเรียกมันเรียกใจกลับมากลับมาบ้านกลับมาบ้านมไม่ไม่ไม่ค่อยยอมกลับหรอกตลิดเปิดเปิลไปคิดไม่รู้กี่เรื่องคิดเรื่องนั้นก็บเสร็จเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นก็ไปเรื่องโน้น เหมือนกับเด็กที่ใจแตกนะไม่อยากกลับบ้านหน้าที่ของเราคือเรียกมันกลับมาไม่กลับก็ก็ยังไม่ท้อนะเรียกจนกระทั่งนายสักกลับมามาอยู่บ้านเดี๋ยวสักพักไปก็แล้วนะอย่าไปโกรธเท่านะอย่าไปหมดอย่าไปหมดหวังกับเขานะเราเหมือนกับพ่อหรือแม่ที่พยายามที่จะ เรียกเขากลับมาไม่รู้ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักท้อเพราะเรามีความรักมีความหวังดีเขาไปชอบไปเที่ยวเล่นจนกระเซิกระเซิงกลับมาก็ไม่เป็นไรผ่อนพักแต่บางทีก็ไม่ยอมกลับนั่นคือสภาพใจของเราแต่ก่อน เวลาเวลาเราจะนอนนอนไม่หลับนะใจมันฟุง้งเตลอดเปิดเปิงไปนั่นแหละคือสภาพของของใจที่ไม่ยอมกลับบ้านแต่ว่าถ้าเราจเจริญสติแบบ น, นี้บ่อยๆเนี่ยนะมันเรียกมันชวนเขากลับมาใหม่ๆก็ใช้เวลานานกว่าจะกลับกลับมาประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปอีกไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆ ไม่ช้าไม่นานนะเขาก็จะรู้จักที่รู้จักทางแล้วก็คุ้นกับการที่จะกลับบ้า น, นตกลงกลับมาเองนะไม่ต้องเรียกใหม่ๆสิ่งที่จะเรียกจิตให้กลับมาเนี่ยก็คือความรู้สึกความรู้สึกกายที่มันยกมือเคลื่อนไหวไปมามือที่เท้าที่ก้าวเดินใจลอยไปสักหน่อยมารู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนเท้ากําลังขยับ มันก็เกิดสติขึ้นมาระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็กลับมาแต่ก่อนใหม่ๆนี้กลับช้าแต่ต่อไปต่อไปถ้าเราไม่ไม่ท้อเรามันทำความเพียรก็จะกลับมาไวขึ้นไวขึ้นแล้วก็จะเริ่มอยู่กับบ้านได้นานขึ้นนานขึ้นถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าใจนี่มันสบายใจ่มันเบาใจนี่มีกำลังวังชามากขึ้น สติเนี่ยแปลว่าความะระลึกได้ความหมายง่ายๆทุกวันนี้เราก็ใช้สติอยู่ประจําอยู่แล้วแทบจะตลอดวันอย่างเวลาเราเจริญสติหรือทําวัดเสร็จเนี่ยเราลงจากศาลานี้เราก็จําได้ว่ากุฏิหรือว่าเรือนพักของเราอยู่ตรงไหนก่อนนั้นๆเราก็จําได้ว่ารองเท้าวางไว้ตรง ไหนชั้นไหนเมื่อเข้าไปในที่พักเราก็จำได้ว่าแปลงสีฟันอยู่ตรงไหนข้าวของอยู่ตรงไหนเวลาเราจะขับรถเราก็จำได้ว่ากุญแจมันอยู่กระเป๋าไหนซ้ายหรือขวาหรือว่านอกสัวเมื่อเราจำได้นั่นแหละคืองานของสติ แต่ว่าสิ่งที่เราจำได้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องนอกตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเองหรือเรื่องในตัวเรื่องในใจนี่จาไม่ค่อยได้นี่ถ้าเรามาเจริญสติก็เพื่อมาฝึกสติตรงนี้นะสติที่เราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนี่แหละเรียกว่าสัมมาสติในสิที่สติที่จำได้เรื่องนอกตัวนี้นะใครๆก็มีกัน โจรขโมยก็ใช้สติตัวนี้ในการทําความชั่วในการประกอบวิชาชีพแต่ว่าถ้าสติที่เป็นการระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันจะทําชั่วไม่ได้เพราะว่ามันจะระลึกเห็นกิเลสเห็นความคิดอันชั่วร้ายนะที่เกิดขึ้นและไม่ปล่อยให้มันมาคลองใจนั่นสติที่รละลึกได้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะ ถือว่าเป็นสมาสติเพราะช่วยทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและเปิดโอกาสให้กุศลธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาในใจเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอารีอารอบความเพียรพยายาม ความรู้จักพอสันโดษมันก็จะตามมาเรื่อยๆเป็นขบวนเมื่อเรามีสติและความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจากสติแบบนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราเระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจอย่างเช่นเวลาเราสวดมนต์อยู่ใจเราลอยนะเสร็จแล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังสวดมนตน์ไอ้ตรงนี้แหละคือสัมมาสติแล้หลนะที่ทําให้ใจเราเนี่ยกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการสวดมนต์เวลาเรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมมือยกไปใจลอยไปโน่นไปนี่ประเดี๋ยวก็ลึกลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังยกมืออยู่กําลังปฏิบัติอยู่ตัวที่เราลึกได้นี่คือสติแล้วมันก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับการเดินตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่คือ หลักการง่ายๆของการเจริญสติถ้าตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนนั่นแปลว่าลืมสติไปแล้วนะแปลว่าหลงไปแล้วนะช่วงตอนนั้นอาจจะเรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวเท่าไหร่แต่พอรู้ทันใจที่เผลอคิดไปเรารึกได้ว่ากำลังมากาลังนั่งอยู่ในศาลานี้ จิตก็กลับมาเลยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการฝึกสตินะเราเอากายเป็นบ้านนะกายที่กำลังเคลื่อนไหวยกมือที่กำลังเดินนี่แหละไม่ใช่ทำกายให้เป็นคุกขังใจเพราะใ น, ในการเจริญสตินี่วิธีนี้เราจะไม่พยายามบังคับควบคุมจิต ว่าต้องไม่คิดต้องไม่ฟุ้งพยายามไปห้ามความคิดอันนั้นไม่ใช่ครับอนุญาตให้มันท่องเที่ยวได้หน้าที่ของเราคือรู้ทันเมื่อมันเผลอไปแล้วก็พามันกลับมาพากลับมาหรือเรียกกลับมาไม่เบื่อที่จะเรียกไม่ท้อที่จะพากลับมา จกระทั่งมันรู้เลยมันรู้เองถึงตอนนั้นเนี่ยแม่จะเผลอออกไปเที่ยวนอกบ้านสักพักรู้รู้ตัวกลับมากลับมาอยู่กับบ้านคือกายคือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำอย่างนี้ บ, บ่อยๆอย่างนี้ บ, บ่อยๆเนี่ยใจก็จะอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันก็จะกลายเป็นบ้านของใจ บ้านชนิดนี้เนี่ยนะจาเป็นนะที่จะต้องหาให้กับใจของเราจริงๆมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ใจไม่ยอมไม่ยอมกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเ้าเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ได้ละการฝึกฝนจนคล่องแคล่วหรือว่าจนเชื่อง เขาก็จะกลับมาแม้ว่ามันจะมีสิ่งภายนอกมาดึงจิตดึงใจให้ไปหวนคิดถึงอดีตให้ไปเมืออยถึงอนาคตแต่สักพักก็รู้ทันแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั้นถ้าเรามีปัจจุบันเป็นบ้านเนี่ยใจจะอบอุ่นนะใจจะมีความสุขได้ง่าย และเราจะเกี่ยวข้องกับงานกับการต่างๆได้อย่างถูกต้องเมื่อเราดูแลทำหน้าที่อะไรก็ตามนะจะเราจะดูแลด้วยความใส่ใจเราจะทำหน้าที่ด้วยความใส่ใจโดยที่ใจก็ไม่ได้เครียดแอ้ที่เครียดส่วนใหญ่เนี่ยเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจมันไปคิดถึงงานการถึงภาระถึงอะไรต่ออะไรมากมายที่รออยู่ข้างหน้า แค่คิดก็ท้อแล้วพอท้อแล้วก็เลยไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรไปล่อยให้ปัจจุบันบันผ่านเลยไปซึ่งบางอย่างมันเป็นโอกาสทองนะที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะนั่นก็ขอให้เราได้ได้เพียรพยายามนะในการฝึกนะในการที่จะพาจิตนะกลับมาอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกายที่กำลัง เ, เคลื่อนไหวหรือว่าที่เป็นปัจจุบันที่หรืองานการที่เรากำลังทำอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะคำนี้ก็เพิ่มนเท่า น, นี้กลับภาพพร้อมกัน